แทุกกะร้อยสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่เป็นเหตุสภาวะธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุสภาวะธรรมที่เป็นเหตุและสัมพยุด้วยเหตุสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไหรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะสิบเอ็ดและธาตุสิบเจ็ดร้อสบสองสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุ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 สงเคราะห์ขเข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันห้าอายตนะสิบอ็ดและธาสิบเจ็ดร้อสหสภาวะธรรมที่เห็นได้สงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาหนึง่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะสิบอ็ดและธาสิบเจ็ดร้อสเจสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้ เว้นท่าที่มีถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอยตนะสิบอ็ดและท่าสิบเจ็ดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอยตนะและท่าเท่าไรไม่มีขันเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับอยตนะหนึ่งและท่าหนึ่งรสสภาวะธรรมที่กระทบได้สงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอยตนะสิบและทาาสิบ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 แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับอเยตนะสิบและธาตุสิบร้ยี่สิสภาวะธรรมที่เป็นรูปสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอเยตนะสิบเอ็ดและธาตุสิบอดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอเยตนะและธาตุเท่าไหรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อเยตนะหนึ่งและธาตุเจ็ดรอยี่สิบเอ็ดสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้ว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 สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสะวะแต่ไม่เป็นอาสะวะสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสะวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสะวะสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะบสองและท่าสิบปดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอนายตนะและท่าเท่าไรไม่มีขันอนายตนะและท่าเหล่านหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้ร้อยสสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะ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 สภาวะธรรมที่สัมบูรณ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สี่อายตนะสองและท่าสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและท่าเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะสิบและท่าสิบหกร้อสาสิสภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์สภาวะธรรมที่เป็นคันทะสภาวะธรรมที่เป็นโอคะสภาวะธรรมที่เป็นโยคะ สภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์สภาวะธรรมที่เป็นปรามาตยสภาวะธรรมที่เป็นปรามาตยและเป็นอารมณ์ของปรามาตยสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะสิบอ็ดและธาตุสิบเจ็ดสาสเอดสภาวะธรรมที่ไม่เป็นปรามาตยสภาวะธรรมที่วิป <SM> ย <C> ุจจากปรามาตย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 สภาวะธรรมที่วิปยุจจากปรามาต์แต่เป็นอารมณ์ของปรามาต์ส่งเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสิองและท่าสิบแส่งเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีขันอายตนะและท่าเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้ร้อสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาต์สภาวะธรรมที่วิปยุจจากปรามาต์และไม่เป็นอารมณ์ของปรามาต์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 สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันายตนะและธาตุเท่าไราสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งายตนะสิบและธาตุสิบหกรสาสิห้าสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้สงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่ายจนะสองและธาตุแปดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันายตนะและธาตุเท่าไร ส, สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งายตนะสิบและธาตุสิบร้อยสามสิหก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 ร้อสามสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตสภาวธรรมที่ระคนกับจิตสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์สองอายตนะสิบอดและธาตุสิบเจ็ดรอยสี่สิสภาวธรรมที่มีเป็นเจตสิก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 สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสองอายตนะสิบอดและท่าสิบเจ็ดรอสี่สิบหสภาวะธรรมที่ไม่รบกนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานสภาวะธรรมที่ไม่รบกนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตสภาวะธรรมที่ไม่รบกนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตเว้นท่าที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันสอง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 อายตนะหและธาตุหกร้อยสี่สิบปดสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกเวน้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงูงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะหกและธาตุหกสงูงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสูงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะหกและธาตุสิบสองร้อยสี่สิบเกสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทยรูป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 สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีขันเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับอายตนะเก้าและท่าเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่กรลมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิยึดถือสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสิบอดและท่าสิบเจ็ดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่ า, ถาเท่าไร ไม่มีขันเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้แต่สงเคราะราห์เข้าไม่ได้กับอิยตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งห้าสบสองสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอิยตนะเจดและธาตุแปดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอิยตนะและธาตุเท่าไรไม่มีขันเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้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 สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอยตนะและท่าเท่าไหร่ไม่มีขันอยตนะและท่าเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้ร้อยห้าสิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมที่วิป ย, ยุจแจกกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเว้นท่าที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันสอย่ยตนะสองและท่าสอง สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบและท่าสิบหกร้อห้าสิบเจดสภาวะธรรมที่กิเลสทาให้เศร้าหมองสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสสภาวะธรรมที่กิเลสทาให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและท่าสอง สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันยตนะและท่าเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งยตนะสิบและท่าสิบหกร้อยห้าสิบปดสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่ยตนะสองและท่าสอง สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันยัตนะและท่าเท่าไหรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งยัตนะสิบและท่าสิบหกร้อยห้าสิบเกสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม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 ร้อหสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยสุขสงเคราะห์เข้าได้กับขน 3, ันสามอายตนะสองและท่า 3. สามสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขนันอายตนะและท่าเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขน 2, ันสองอายตนะสิและท่าสิบห้ารหสห้าสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาสงเคราะห์เข้าได้กับขน 3, ันสามอายตนะสองและท่าเจ็ด สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไหร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสองอายตนะ10บและท่าสิบเอ็ดหกสสภาวะธรรมที่ไม่สหรโรคตรด้วยอุอเบกขาเว้นท่าที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เขา้าแรกกับขันห้าอายตนะสิองและท่า 13. สิบสสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไหร่ ไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับธาตุห้าร้อหสเจดสภาวะธรรมที่เป็นกลามวจรสภาวะธรรมที่นับหนึ่งในวัตทุกข์สภาวะธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสิบสองและธาตุสิบปสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไหร ไม่มีขันอายตนะและาธาตุเหล่าไหนาที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้ร้อหสิบสภาวธรรมที่ไม่เป็นกางมวจรสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในงวัตทุกขสภาวธรรมที่ไม่มีธรรเอื่อยิ่งกว่าเวน้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและธาต์สองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาต์เท่าไร่ สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่ง 1, อายตนะสิบและท่าสิบหกร้อยหสเกสภาวธรรมที่เป็นรูปราวจรสภาวธรรมที่เป็นอรูปราวจรสภาวธรรมที่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตสร้องไห้สงเคราะห์เข้าได้กับขันสี 4, อ่อายตนะสองและท่าสอง สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบและท่าสิบหกร้อยเจ็ดสิบสภาวะธรรมที่มีเป็นรูปรวาวจรสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอรูปรวาวจรสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกข์สภาวะธรรมที่ให้ผลไม่แน่นอนสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ สงเคราะห์เข้าแรกกับขันอายตนะและท่าเท่าไรสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัด ร, ร้องไห้เว้นท่าที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าแรกกับขันห้าอายตนะสิบสองและท่าสิบแปดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีขันอายตนะและท่าเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้สังฆาหาสังคห์ประทานิเทศที่หนึ่ง 2. ทุติยในยสอ ส, สังคหิตเณสังคหิตตะปทานิเทศร้1ยเจสเอสภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับจักขาายตนะและถึงโพธพายตนะจกักขุธาตุโพธพธาตุสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไหร่สภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะสองและธาตุแปดร้อยเจ็ดสิบสอง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 ร้อสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับจกักขุนสีโซตินสีคานินสีชิวหินสีกายยินสีอิทธินสีปุริสิน 4. สีสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขัน 4, ธ์สีอายตนะสองและธาตุแปดร้อยเจ็ดสิบสี่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 กัปริเทวะสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้สภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์สี่อายตนะสองและธาตุแปดรอเจ็ดสหสภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้สภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์สี่ อายตนะสิทธิ์และธาตุสิบหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับสภาวะธรรมที่เห็นได้สภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์สี่อายตนะสองและธาตุแปดร้อยเจ็ดสิบแปดสภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์ แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับสภาวะธรรมที่กระทบได้สภาวะธรรมที่เป็นอุปาทายรูปสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาเท่าไรสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะสิบอดและธาสิบเจ็ดรวมบทธรรมในทุติยไนสี่สบทอายตนะสิบธาสิบเจ็ด อินสีเจ็ดอสัญญาภพหนึ่งเอกวัวการภพหนึ่งปริเทวะหนึ่งสนิทัสนะสัปพติฆะหนึ่งอณิทัสนะสัพปติฆะหนึ่งสนิทัสนะหนึ่งสัพพติฆะหนึ่งอุปาทายรูปหนึ่งสังคหิเตนะอสังคหิตะปทานิเทศที่สองจบ ตยนสามอสังคหิเตนะสังคหิตตะประธานิเทศร้อยสภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์แต่สงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นอยิยตนะและธาตุกับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์สมุทยสัตว์มัคสัตต์สภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์อยิยจนะและธาตุเท่าไร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 แต่สงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับอิทินีปุริสินีสุขินีทุกขินีโสมนสินีโทมณสินีอุเปกขินีสัจทินีวิริยินีสตินีสมาทินีปัญญินีอนัญญาตัญญสามีตินีอัญญินีอัญญาตาวินีอวิชชา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 ร้อยแปดสิบสี่สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์แต่สงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับโซกะทุกข์โทมนัตอุปายาสติปฐานสัมมะปทานอาปมัญญาอินรียห้าภละห้าพ่อชงเจดอริยมัคมีองแปดผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาอธิโมกมนัิการ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 สภาวะธรรมเหล่านั้นส่งเคราะห์เข้าได้กับขันอยตนะและธาตุเท่าไรสภาวะธรรมเหล่านั้นเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามยตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งรวมบทธรรมในปฏิญาณยเก้าสิบบทขันสามสัจจะสามอินทรี 16, ่สิบหกปฏิยาการสิบสี่บทต่อจากปฏิยาการอีกสิบสี่บทใน ก, กุฏกะ สมดนับได้สามสิบบทจากจุลันตระทุกกะสองบทจากมหันตระทุกกะแปดบทอสังคหิเตนะสังคหิตะประธานิเทศที่สามจบ